ทำอย่างไรเมื่อจิตเสื่อมเอารู้ตัวเดียวมันจะอยู่ในระดับนี้หรือมันจะเจริญขึ้นมันจะเสื่อมลงอย่าไปสนใจมันเอาสติตัวเดียวหลวงปู่มหาบัวเทศเว้ครั้งสุดท้ายนี่ชัดเจน หมายเหตุผู้อ่านเข้าใจว่าคงจะเป็นเทศครั้งล่าสุดในสมัยนั้นนะครับเมื่อก่อนเราไปดีใจเสียใจอยู่กับความเสื่อมความเจริญของสมาธิมันก็ได้แค่นั้นมาที่หลังเนี่ยเราไม่เอาอะไรเอาสติผู้รู้ตัวเดียวมันจะเสื่อมมันจะเจริญมันก็เป็นแค่อารมณ์จิตเท่านั้นแล้วมันก็เป็นไปได้ดีหลวงปู่มหาบัวท่านว่า อย่างพระองค์ที่โยมพามาแก่ไปภาวนาและไปรู้โน่นเห็นนี่รู้โน้นเห็นนี่อะไรทํานองเนี้ยในเมื่อมันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาแล้วไปหลงความรู้ความเห็นของตัวเองมันก็เลยเพี้ยนไปใหญ่